เรื่องทรงห้ามอาหารที่หุงต้มภายในเป็นต้นท่านพระอานนท์กราบทูลว่าภิกษุยังฉันอยู่พระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราห้ามอาหารเหล่านั้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราอนุญาตแก่ภิกษุเมื่อคราวอัตคัดอาหารมีข้าวกล้าไม่งอกงามบินทบาทหาได้ลำบากคืออาหารที่เก็บไว้ภายในที่หุงต้มภายในที่หุงต้มเองที่จับต้องแล้วรับประเค้นใหม่ที่นำมาจากที่นิมนต ที่รับประเค็นก่อนเวลาพัะตาหารที่เกิดในป่าที่เกิดในกอบัวภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันอาหารที่เก็บไว้ภายในที่หุงต้มภายในที่หุงต้มเองที่จับต้องแล้วรับประเค็นใหม่ผู้ใดฉันต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ฉันแล้วบอกห้ามพัฒตาหารแล้วไม่พึงฉันอาหารที่นำมาจากที่นิมนต์ที่รับประเคณก่อนเวลาพัฒตาหารที่เกิดในป่าที่เกิดในกบัวซึ่งเป็นอาหารที่ไม่เป็นเดนรูปใดฉันพึงปรับอาบัตตามธรรม